ฝั่งท่านอาจารย์ดาวินมีนะิโกนะทุคุยเล่าบางแง่มุมของประสบการณ์การศึกษาเึ่งเจริญสตนะิคือมันก็คงบางคนก็อาจจะได้สติและสามารถพลิกชีวิตได้อย่างรวดเร็วว่องไวแต่บางคนก็คงค่อยเป็นค่อยไป คือถ้าท่านไม่ได้อะไรเนี่ยท่านคงไปแล้วแหละพอดูหน้าตูตาแล้วก็อย่างที่ว่าเน่ยคงอกหักมาชีวิตนะเพราะอกหักเลยได้มาบวชแต่ก็คิดอย่างหนึ่งคือถ้าออกไปเนี่ยถ้ารุ่นนี้ออกไปคืออกหักอีกเหมือนเดิมเลยฮะห้อ <c oughs> <c oughs> งหาใครชอบยาก <c oughs> ยิ่งปัจจุบันเนี่ยิ่งลาบากนะยิ่งลำบา ก, นะบากเพราะว่า เหมือนคำพีพุทธศาสนาว่าอะไรร้อยปีต่อไปอยังต่ำร้อยปีอายุคนห้าสิบปีคนจึงจะแต่งงานต่อไปในตำราเขาบอกห้าพันปีนะแต่อายุคนอายุมนุษย์ต่อไปเนี่ยศาสนาพุศีาเนี่ยแปดหมื่นปีคนน่ในยุค น, นั้นจะมี มีพระสัต์พระสีอานพระสีฤยเมตรไตเนี่ยมาประกาศพระศาสนาจะมาตัดสรุแล้วก็สั่งสอนคนในยุคนั้นจริงๆเขาอาจจะพูดเปรียบทเทียบชีวิตเดาก็ได้หรือพูดจริงๆก็ได้นะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ฟังเอาไวา ประกอบเรื่องมากระตุ้นให้เราเกิดทำความเพียรท่านพูดไปลหลายๆเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานปฏิบททัติธรรมถ้าหาว่ามีกัลยาณมิตรอยู่ด้วยคอยชักนำชีแนะจะทำให้การปฏิบัติธรรมดีขึ้นง่ายขึ้นดีกว่าทำคนเดียว เพราะเงื่อนไขมันจะเยอะเงื่อนไขความคิดอารมณ์อะไรอย่างเงยอายุมากๆแล้วปฏิบัติคงลำบากท่านว่าเพราะว่าท่านก็ขนาดสามสิบกว่าปีเกือบสี่สิบปีเนี่ยสามสิบหกสามสิบเจ็ดามสิบแปดมาบวชก็ยังรู้ได้ยากท่านบอก อันนี้จะทําให้หลายคนหมกกำลังใจก็ <c oughs> ไม่แน่นะบางคนก็ก็อย่างว่าศรัทธามีสติเยอะก็ไปได้ไหวคนที่ชีวิตมันเป็นคนที่ที่ปล่อยวางอยู่แล้วเราตาไปเห็นช่างคนหนึ่งนะช่างศักด์ชื่อเขานะ่ะศักด์ในบรรดาช่างด้วยกันคนหนึ่งเป็นกระเหลี่ยงเป็นคลิศศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่น ได้เมียตั้งแต่อายุมอสามนะแล้วก็มาถึงมสามครึ่งก็ไม่ได้เรียนต่อนะเหมือนเหมือนกับเจ้าชายเรานี่ยแหละนะยมศักดิ์ในอารมณ์ดีดีถ้าขายันดูแก่ทำงานนะทำงานโน่นทำงานนี้ไม่หงุนงิดนะนะงานลิ่งงานด่วนอนะไรเราพยายามดึงลากตัวทีนะ่ให้ทำโน้นทำนี้อะไร ก็ดีนะใจดีนะกำลังทำนี่อยู่เปลี่ยนงานดูดิปุ oh, animal, ป๊บไปโอ้ยอันนี้ไม่เอาไปเอานั้นมาดิบอกนะลองเปลี่ยนก็ใจดีแนละ้วก็ยิ้มโอ้ใจดีอะอยู่มั น, นใจดีคือใจดีเป็นพื้นฐานเนะ่ยตัวตนน้อยน้อยปฏิบัติทำจะไหวแล้วเขาก็จะเป็นคนนอบน้อมไหว่บ่อยๆนะทั้งที่หลงตางก็ไม่เคยเจอเขานะ คือคุยด้วยเลยด้วยเอ๊ะเป็นคนที่อ่อนอ่อนอ่อนออ น, ออ น, นิ่งจะฝึกง่ายฝึกง่ายฝึกไวนะแต่ถ้าวัยรุ่นนะ่ะไม่ค่อยได้เลยบอกนั่นบอกนี่บางทีบอกน้อน้มันจะเป็นก้าเมื่อเราบอกมันนะเฮ้ยเอาอันนั้นมาส่เนี่เอาจอบมาขุดนี่ใส่หน่อยเนี่ยน้ําจะลวก ม, มันจะเป็นกล้าหนัว มันก็คงไม่จําเป็นนะอันนี้ประมาณนะั้นจริงๆเราก็ไม่ใช่จําเป็นหรือไม่จําเป็นแต่เราดูคนได้เฉยอ๋อมันดีแนวความคิดแบบนี้นอกคนนะมันก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่มันจะอได้ฝึกใจในสิ่งที่เราสอนมันก็ก็ไม่ได้นะแต่อีกคนหนึ่งก็ดีช่างใหญ่ๆนจะดีแต่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยจะพูดยากๆแต่ตัวน้อยๆ น, นั่นอีกตัวหนึ่ง วันก่อนไม่ดีแต่วันนี้ดีดีคือคือคือเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนทั้งที่ไม่ได้ฝึกนะนะแต่เราลอ ง, งไปสังเกตคือลวงตาจะทําตัวอย่างนี้ลองดู ด, ดีวันนี้กับพวกเนี้ยวันนี้ทําตัวแบบ น, นี้ดูที่อะไรเลยเราเดินไปตรวจงานเขาหน่ะนะแล้วเขาทำนะอ่ะอ้าวเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ดูคนนิสัยอัไรประมาณเนี้ยแต่พวกเราเนี่ย ขณะที่ฝึกเจริญสติไปไม่เห็นตัวเองหรือไงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะม่แต่จะเอาบรรุบรรุขี่ว่าเอารูปเอานามเหมือนอาจารย์ทวินว่านะหารูปพานามก็คืออาการของรูปนามเนี่ยถ้ามันไม่ปรากฏเกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่รู้นะคือมันรู้อยู่จะไม่รู้เหมือนหลวงพ่อพุทธตาต์หรือว่าพวกเซนเขาบอกขี่โคตามหาโคเนี่ยนะ เราขึ้นขี่โคแล้วตามหาโคอยู่ไหนวะตามอะ่ะแต่ที่ยิ่งโคที่เราขี่ น, นั่นแหละก็เราสิ่งที่เราตามหาคือพวกเรานี่อยู่กับทุกข์นั่นแหละแต่เรากำลังหาทุกข์เดียเ๋ยวนี้ทุกข์ที่อยู่ที่ไหนวะอะไรคือทุกข์วะอะไรแบบนี่ยแต่มันก็ไม่เห็นนะทุกข์เนี่ยแล้วอยากทําให้มันทุกข์มากขึ้นอะไรประมาณนั้นแนหะแต่เราไม่เน้นที่ปัญญาแต่เราพยายามที่จะทําทุกข์ให้มันโตโตโตโตขึ้นเพื่ออะไรเพื่อตาได้น้อยนี่จะได้เห็นนั้นะแต่ตามันยังหลับอยู่ แต่ทำให้มันทุกข์มากขึ้นมันก็ไม่เห็นเหมือนเดิมแตว่วิธีการวิธีการอีกหนึ่งคือทําสติเนี่ยมันโตขึ้นปัญญามันโตขึ้นทุกเนี่ยน้อยก็เห็นทุกละเอียดก็เห็นพวกนี้เป็นปัญญาวิมุตติพวกเนี้ยนะจะเป็นปัญญาวิมุตคือจะเห็นแจ้งหรือดับทุกข์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาเพราะเขาสังเกตเป็นน่ ะ, นะดูเป็นอรสังเกตไป อยู่ๆก็เอา้าเกิดปิงนเดียะเกิดหลุดพ้นได้นาดีอย่างดีแต่บาคคนสมาธิเยอะๆรู้สึกตัวเยอะๆข่มไว้เยอะๆถึงได้อารมณ์แต่ไม่มีปัญญาพออารมณ์หมดก็คืนกลับมาอีกเืๆๆนั้นเหมือนกันทดน้ำนะทดไว้แต่ ข้อเขาขึ้นไปปิดน้ําข้างบนจะเราทดท่านี้เพื่อให้มันไหลไปทางโน้นที่ใจยไม่เพิ่มไม่ได้ไหลมาท่านี้ท่านเราก็อาศัยการได้ยินใน้ฟังแล้วก็ไปสังเกตสภาวะภายในที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนนแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอันที่มันมันปรากฏเนี่ยมันทุกเนี่ยมันทุกยังไงอ่ะบางทีมันมันไม่รู้นะว่ามันทุกอย่างว่าเลยนะ คือถ้าจิตมันไม่หยุดคิดมันก็ไม่รู้คือพูดง่ายๆก็คือมันเข้าไปในทุกนะ่ะมันเข้าไปอยู่ในทุกขมันก็เลยไม่เห็นทุกเดี๋ยวนี้เราพยายามดึงสติออกมาแยกตัวรู้นี่ออกมาพัฒนาต่างหากตัวรู้เราเนี่ยนะแยกออกจากตัวคิดออกมารู้สึกตัวเฉยเฉยตัวคิดก็ปล่อยมันไปนะตัวรู้สึกก็ ร, กรู้ไปเลยแล้วเราก็จะเห็นเริ่มเห็นว่ามันไม่ค่อยรู้สึกนี่เพราะตัวคิดมันมาแย่งไปนะ่ะ นมันคิดไปเดี๋ยวมันคิดไปคิดไปเนี่ยเราก็กลับมาพยายามรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นอยู่เรื่อยๆยากอยู่หรอกโยมมุนตาว่ามันก็ยากอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจเจริญสติในี่นไม่ใช่ง่ายเพาะพระพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรสารีบุตรเธอว่าอะไรยากที่สุดในโลกเนี่ยท่านบอกว่า ทุกโโหประภาชาทุกโหนทุกเนี่ยเป็ว่ายากนะการออกบรรพชาเนี่ยเป็นของยากเราทั้งหลายเียนี้คือออกมาบรรพชานะเดี๋ยวนี่ยออกบรรพชาคือบวชออกบวชออกปฏิบัติธรรมออกฝึกจิตเนี่ยเป็นของยากแต่ถ้าออกไปเล่นเพื่อสะด็จเข้าเปง่ายอยู่นะแต่นี่ออกบวชปฏิบัติธรรมเพื่องดเว้นขีดภาวะอะไรที่ วันก่อนหลวงตาไปที่วัดพระบาทสี่ลอยเนี่ยนะเห็นนะักปฏิบัติที่เขาคงไปบวชเสด็จเขาเรืออะไรก็ไม่รู้นะเดินจงกรมอยู่มือเขาประนมมือเดินอ้อมลอยพระบาทอยู่นะนคงอธิฐาในให้ลอยพระบาทช่วยเดี๋ยวท่านทีเปลาลงเดินอ้อมอยู่เนะี่ยอ้อมอยู่ได้อ้อมอยู่ดีแล้วคนก็ขึ้นไปไหว้ก็ไปไหว้ก็เต็มไปหมดนะคนเขาไปเที่ยวเขาไปไหว้ พวกปฏิบัติทําก็จะนั่งสมาธิบ้างเดินหลับตาอะไรคือขอบารมีจากลอยพระบาทคือต่างคนจะเอาอะไรจากลอยพระบาทให้ได้เมื้าเราไปประเทศอินเดียแล้วไปอยู่บรรยากาศเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนอนตายแล้วมันไม่รู้จะคิดอะไรนะมันสงสารพระพุทธโอ้ยนอนนอ น, น, อนไปว่าจิตมันเป็นสมาธิเกิดปีติขึ้นน่ะน้ําตาไหลพลากใรอยแต่ละคนไปเราไปนั่งดูโอ้คนน้ําตาไหลเขาเกิดปีติอะ่ะคิดถึง สงสารเขาเป็นความคิดไงอันนี้ก็คงแบบนั้นเนะี่ยเห็นรอยพระพุทธเจ้าซ้อนซ้อ น, ซ, อนซ้อนกันสีอันนะมีรอยใหญ่อันหนึ่งแล้วก็มีรอยเล็กอยู่ในนั้นแล้วก็รอยเล็กรอยเล็กรอยเล็กเล็กคนทำก็ช่างออกแบบดีนะทำจนทั้งสิวหักนะสับนะเพิ่งได้สี่รอยรอยที่ห้าทำไม่ไหวรอยหนึ่งรอยหนึ่งเหรอ เข้าประตูเนี่ยโยมรอยหนึ่งเนี่ยโต๊ะพระพุทธเจ้าเสด็จมา ท, ที่กระเดื่องไปหมดไอ้ทถานั้นใหญ่มากคนก็จะเป็นนั่งคือมีศรัทธาและหวังแต่คนไปไหว้ก็ไปไหว้เอาดอกไม้วางกับวางคนนั่งสมาธิกับนั่งไปคนเดินเจ้ากงกวดเดินในลอยนั่นลอยมันตั้งอยู่ไปดูเอาดิที่เนี่ยคนศรัทธามากวันที่ใลส็ดยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีน้ําสงพระราชทานจาก ในหวังในรั้วในหวังมาด้วยเนี่ยยี่ห้ายี่ยเจ็ดประมาณนัน่งเขาก็จะเดินขึ้นนะเนี่ยเดินเห่เดินไปเดินไปเขาจะเดินจากบ่ายสองโมงางเดินเดินเดินขึ้นไปแล้วเอาน้ำไปสง่งกำหนดการถึงลอยพะบาทนั้นหกโมงเช้าขบวนเขายาวนะไม่ใช่สั้นๆ น, นะ เ, เราก็ไปเลย พระก็ไปเพราะคนจะเยอะตอนเช้าจะได้บินธบาทเอาจตุปัจใจไทยจะทำตามวิถี <c oughs> คือเราเราเราหวังวจะมีอะไรช่วยสักอย่างอะ่ะอาศัยคุณธรรมพลังอะไรถ้ามีความเชื่ออย่างนี้จะเป็นเหมือนหินอะไรของญี่ปุ่นะ่ะที่กรามมือแล้วมันเริ่มเป็นเดี๋ยวนี้เขาโฆษณานะที่คล้องค อ, งองหินอะไร หินลาวานะหินนะียดำๆเียนะนะขายดิบขายดีนะกับคนง่นี่เท่าไหร่รู้ไหม <_ AD IS> เหรียญ น, นิดหนึ่งนะไปโฆษณาขายไม่ก็เท่ากับหลวงตากี่บาทนะเฮ้เท่าไหร่นะอู้สองพันกว่าหนูเนะหินหน่ดหนึ่งน่ะนี่อ้าวมีแต่คนรู้ทีนี่ ้องตาก็ะถามไปนั้นแหละไม่เอาจริงเอาจัง <c oughs> หลายเรื่องหลายอันเนี่ยเรามีความคิดแบบนั้นนะจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเอาว่ามีสนามแม่เหล็กแบบนูนแบบนี้นะนะจริงๆก็อยู่ที่ใจนั่นแหละพยายามเร ล, ลึกรูนะ้ใจเราเนี่ยกระตุ้นด้วยตัวเองเห็นทุก์ด้วยตัวเอง เห็นปีตินสมาธิเกิดปัญญาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องอให้อะไรบังจิตชัดอะไรเข้ามานะเราดูเราเพ่เฉยๆนี่จเจริญสติสังเกตสภาวะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมันเกิดปีติก็จริงอะแต่มันไม่ได้เกิดปีติเพราะการเห็นทุกข์เราต้องไม่ปรุงแต่งตามการปรุงแต่งตามจะต้องไม่เกิดขึ้นกระทบผัสสะ เห็นเฉยๆได้ยินได้ฟังเราไม่เอามาใส่ใจทีนี้การจะไม่ปรุงแต่งตามก็ต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจ น, นะความจํมแจ้งว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีนะแกนที่ผ่านนะาโยธเพิ่งเอาเพ่จะเป็นเรื่องของปุ่นคิดถึง เห็นทุกนัน่นนี่แต่ไม่ได้เกิดศรัทธาแบบนั้นปีติไม่ได้เกิดเพราะอำนาจของศรัทธาแบบนั้นเวลาเราไปปฏิบัติตามสถานที่แบบบริสันต์พอเพูดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องกรรมเก่าเรื่องอะไรเนี่ยน้ําตาไหลเละเราปลืม้มไม่ใช่ปลื้มเลยนะนึกถึงบาปกรรมที่ทํากับพ่อกับแม่กับอะไร อันนี้มันเหมือนมีปีติอ่ะแต่เป็นปีติที่ถูกสะกดจิตแบบหนึง่งแต่ไม่ใช่ปีติที่เกิดจากการเห็นแจ้งคือปีตินี่ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็คือต้องคัดทั้งหมดใหม่หมดเลยอ่ะถแต่เรื่องสติว่าต้องพูดกันใหม่ว่าสติจริงๆมันคื อ, อยังไงนะสมาที่ก็ต้องพูดกันใหม่เพราะมัน มันมิจฉาสมาธิก็มากปีติที่มันเป็นมิจฉาปีตินี่ก็เยอะมากแต่บางคนพอเกิดปิติก็คิดว่าเป็นปีติที่เกิดเป็นเรื่องของธรรมะธรรมะธรรมะจริงๆปีติที่เกิดอยู่ในภาวะที่พานหลงเนี่ยก็จะเยอะมากนะสมาธิก็เหมือนกันมีมิจฉาสมาธิมิจฉาสติ ท, ทั้งขันวัตถุที่เจ้าไม่พูดหรอกว่ามันมีมิจฉาสมาธิมิจฉาสติมิจฉาปัญญามิจฉ า, าญาณสัมมาญาณสัมมาวิมุติ เมื่อที่ก็หลุดพ้นนะแต่มิจฉาวิมุตตมันมีเนี่ยฉะนั้นปฏิบัติทำเหมือนกันแต่มันมันมีหลากหลายมิติอยู่ในอารมณ์เนี่ยถ้าทำถูกก็ถูกฉันมันจึงมีความจำเป็นเรื่องเรื่องกัลยาณมิตรที่ที่เข้าใจและรู้จริงๆเนี่ยที่จะพาเราจูงเดินถูกทางไม่ใช่ว่าอืพอทำได้ก็ทำไปประมาณนั้นพื้นพื้นฐานนี่ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอขยับขึ้นไปสูงสูงหน่อยในความหลงมันจะเยอะ ถ้าผิดแต่เบื้องต้นแล้วก็ผิดนานผิดไกลบางคนทําดีแต่พออารมณ์รูปน้ําหน่อยก็มีหลายคนนะพอได้รูปนามมันจะมีความศรัทธาสูงมากนะแต่เนื่องจากวสติความเข้าใจปัญญามันเนี่ยมันมีน้อยบางทีหลงไปอยู่กับนิมิตหลงอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปเลยเนี่ยหลงไหลไปกับเรื่องแบบนั้นไปซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องคอย สำเนียดีๆปฏิบัติธรรมเนี่ยคนไหนเอาจริงเอาจังได้ระวังนะคนไหนทําเล่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้ระวังเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็โงกก่ก็ดูไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่คนเอาจริงเอาจังนี่คือมันเหมือนคนขับรถเร็วนะพูดง่ายๆมันจะเป็นยังไงถ้าคนขับเรียบๆค่อยๆไปเนี่มันยังไม่เท่าไหร่นี่ยพอประคองได้บอกก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่คนขับรถเร็วนี่ หนึ่งถึงเร็วสองตายนะมันมีอยู่ประมาณนั้นอ่ะก็ต้องคอยดูแลคอยประครบผมโอ้คนนี้เป็นนี้นะคนนี้ตรุูตาดูสนามเนี่ยมันมันคือมันไม่ดูดูไม่ยากเท่าไหร่คือหลายหลายคนก็คือเพียรดีอยู่ไม่ยากเท่าไหร่ขยันทําอยู่นะ ก็ไม่ได้หว่าเขาว่าไม่เค่งไม่คัดหรือไม่ดูแลนะแต่ก็ดูแลอยู่แต่คิดว่าคงคงมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ละคนก็ขยันทำนะอารมณ์ข้างในลึลกๆก็คือยิ่งถ้าคนเก่าๆอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องอาศัยการสะสมสติสักชั่วเพลาหนึ่งระดับหนึ่งที่มันจะเคลื่อนตัวได้ถ้านะนั้นแล้วมันจะเหมือนอย่างอย่างท่เราเล่าที่หลายทั้งหลายที่ว่า เว้กูละเซ็งเว้ทํามาหลายรอบก็ยังไม่ก้าวหน้าแบบนี้นะเห็นไหมยิ่งหลงตาไปกระแทกกระทันไปกดดันเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะมันจะยากลาบากแต่บางทีก็จําเป็นสําหรับบางคนนะจำเป็นแต่บางคนก็คือเอาปล่อยไปให้ทำความเพียรค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตนะไม่ต้องน้อยใจนะทําความเพียรเนี่ย บางทีคนไหนขยันทำหลวงตาเออทำให้ทำไปเดินไปด้วยบางทีบางคนเขามีปัญหาก็คุยด้วยแต่บางคนเขาไม่พร้อมที่จะคุยเขาพร้อมที่จะปฏิบัติเอาเขาปฏิบัติไปก็ไม่ได้ว่าอะไรขยันทำไปนะไม่ได้ว่าไม่เคารพื <laughs> อเคารพ บ, บางคนหลวงตามานั่งวิ่งออกมาโอ้ยหลวงตาขออภัยหลวงตาเดินไป ไม่ได้แสดงอาการความเคารพไม่ได้คิดอะไรทําความเพียรไปเถอะขยันทําความเพียรไปไม่เป็นไรหรอกขยันทําเถอะคือเดินไปดูว่าจิตมันเป็นยังไงนี่นะคนไหนที่มีความพร้อมจะให้สอบอารมณ์ให้พูดคุยด้วยแล้วก็คุยด้วยคนั้นไม่พร้อมก็คือไม่ได้คุยเป็นเรื่องเขาแต่ก็ก็ดูแล้วก็คิดว่าไอ้ที่ไม่คุยด้วยก็คือไม่ได้ดูแลไม่ใช่นะแต่ก็รู้อยู่ว่าเขาไม่มีปัญหาหรอกเท่าที่ดูนะ คนไหนอยากทําความเพียนใจเยอะก็ทําไปคนไหนดูแล้วมันมีปัญหาก็คือถึงไม่ไม่คุยลงทางก็คุยเอง ก, ก็คือขยันไปอะเ ล, ลือดรู้ไปทําความเพียนวันทีเวลาถามมันไม่คุยด้วยก็ต้องคุ้มถามอยู่นั่นแหละเพื่อดูว่า ม, มันมีปัญหานะี่ยประมาณเนี้ยแต่คนที่ไม่มีปัญหาก็คือก็ ก็ไม่คุยด้วยอันไม่คุยด้วยนี่ก็คือเป็นการเป็นการช่วยแบบหนึ่งอ่ะช่วยในหลากหลายไม่ใช่หมายว่าไม่ได้หวังจะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนทั้งที่คนที่คุยด้วยและไม่คุยด้วยคนที่สอบและคนไม่สอบอะไรประมาณนั้นนะแต่อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเขาค่อยเรืลึกรู้ดูภายในเนี่ย มองกลับเข้ามาภายในให้เห็นตัวสภาวธรรมอย่าง น, น้อยก็เห็นการคือความคิดมันสั้นเข้าอ่ะพอเป็นม้างไหมความคิดมันสั้นเขา้านะแต่ว่าณวันนี้นะ ว, วันนา้พธรรมวันัยหลายๆคนจะเริ่มได้อารมณ์แล้วมันจะคิดดีและยะอมหยอกไม่ได้ปัญหาวะนะออกจากความคิดดีนี่ยากออกจากความคิดไม่ดีนะ มันยากเพลินไปกับธรรมะธรร ม, มูเพลินไปกับความคิดเพลินกับความปรุงแต่งอะไรประมาณนั้นก็ค่อยๆวางวางมันลงวิธีการบางอย่างก็คือเคอยบอกบางคนนะโอ้ยลงตามออกไม่ได้เนะี่ยความคิดเนี่ยคิดแม่มาเลยบอกคิดมันเลยใหยคิดให้จบเลยแล้วก็บอกมันกู ค, คิดจบแล้วมึงจะมาอีกนะ เวลมันมาก็คิดเราไงคิดเราไงไม่ทําไมคิดแล้วไงก็บอกมันบอกมันเลยตรงตรงเลยคิดแล้วยมันว่ามุมนี้ยังไม่ได้คิดมุมนี้ก็คิดพามันคิดซะมุมนั้นก็คิดซะอามุมแดงมุมน้าเงินมุมขาวคิดหมดแล้วมันมาเขาไอ้หามันมาอะไมว่าคิดแล้วเวลามันคิดก็บอกคิดแล้วคิดแล้ว เอาไปมาก็เหมือนอีกคนหนึ่งที่เป็นบุรุษพยาบาลที่ไปปฏิบัติภัทรคิดมากเดี๋ยวก็คิดอีกบอกว่าคิดแล้วคิดแล้วก็ไม่อยู่แกก็นึกได้ลงตาบอกให้ตัดมันนอะความคิดเนี่ยพอมันคิดมาอ๋อคิดแล้วออกไปมันก็ไม่ออกอีกหน่อยมันมาคอยคิดแวบมา มันก็หายไปใบตัดหายไปแต่มันมาบ่อยเข้าพูดดังขึ้นเรื่อยๆนะตัดอ้าวมันเป็นอะไรของมันเนี่ามันพูดเอาเด้ทีเนี้ยมันไม่ตัดมันมาตัดตัดตัเยมันมาซ้อนกันหลายอะมีได้ตัดกับตัดเอาไปมาปฏิบัติอยู่ในป่ามีได้เสียงแก่คนเดียว คนอื่นเอามันเป็นอะไรของมันวะก็มองด้ตัด <c oughs> คนก็แตกหนีออกมาก <c oughs> เอาโยมไปไหนปะ่ะ <c oughs> ห้ยลำคาญไอ้นี่วะ่ะเขามันเป็นอะไรมันตัดลูกเดียวอยู่นั <c> ้น <oughs> เอาโยมก็ตัดพร้อมกับมันนั่นแหละวะโยมทําไมไม่ตัดไอ้ที่ฟุ้งซ่านเขาเขาเดียวโอ้ยนี่น้องตาช่วยหน่อยดียไปบอกหยุดหน่อยเด็กรบกวนสมาธิโยมทํายังไม่ได้เหมือนเขาแกก็ดังขึ้นนะคือโยม ตัดในใจแล้วตัดในใจดวตามันไม่ขาดตัดเบาลงแล้วต้องตัดแรงๆเลยแรงๆมันถึงจะตัดได้นะดูดิจะไปจะไปตัดตัดเนี่ยตัดญาติขาดไม่ได้ตัดคนหนีหมดนะเนี่ยไหมนี่นักปฏิบัติธรรมหนีก็เจิดกระเจิงอะไรจะไปตัดมันเลยเขาเริ่มทำทำดีขึ้นดีขึ้นคุณ สวัยหรือคนอะไรแต่ก่อนก็าปฏิบัติอยู่ที่วัดโมกข้อนแก่นมาวิเลยข้อนแก่นนะอนะแล้วเขาจะมาอยู่เพอยู่นําผองมีเด็กตัวหนึ่งตัวเล็กๆหนะักประมาณสักสี่ 5, ปีห้าปีน้องน้ํำลินนะเดินจูงกลมดีดีลุงตาเดินไปมันไม่หลับสักทีที่มันนั่งนั่งนะเวลาลุงตาเดินไปยังไม่ได้คุยหรอกลุงตา คุณยายนี่เน่ยเข้าแต่ห้องน้ํำนี่ฟุงซ่านนะเนี่ย้วะดูดิมันดูเข้าแต่ห้องน้ํำนี่้ว่าอเข้าแต่ห้องน้ํานุ้วะทําไมเข้าห้องน้ําจ๊ะถามเขาไม่ตัดความคิดนะนุ้วะสามสี่ปีเองนะเวลามันเดินจักรวิธีตัดความคิดมันทํำไงเวลามันเดินไปมือมันนะจับอย่านี้เราจะเห็นหรอก รู้ตาว่าหนูทำไง ห, หนูก็บอกว่าเนี่ยคิดแล้วไปไปอย่าตามมาว่มามันทำแล้วมันอย่าตามมาสามสี่ปียองแนละ้วมันยังเห็นความคิดแล้วหน้าอายเขาไม่หละไม่ได้พูดกับพวกเธอได้พูดนางอันนั้นห<อ>นึ่งเลยเนี่ยไปไปเนี่ยคือความคิดคนเราแต่ละคนเนี่ยมันโตไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยยังกับพยา j ย m ม, มานะเขี่ยวมาเพื่อง ค, คิดนะ ปากซ้างาบซ้างาบเข้ามาจะดูดกินเราบะงทดมันทำนี่มือมันแค่นี้มันก็ออกไปแล้วของมันนะไปไปอย่าตามมาให้ไปอยู่ทางหลังน้นความคิดเนี่ยมันแวบขึ้นมาเนี่ยส่วนมากมันว่าทำไมเธอทำเหมือนเนี่ยความคิดมันจะออกหน้าแล้วมันให้หนูวิ่งตามความคิดหนูให้ไปอยู่ด้านหลังหนูจะรู้สึกตัวไปก่อนให้มันมาที่หลังความคิดมันต้องเดินที่หลังหนูเฮ้ย เห็นไม่เด็กมันทําเป็นเน่ะแล้วก็นั่งสดใสคอยดูย้าเขามันก็หลับไปจำย่าไปเดี๋ยวมันก็นลุกไปคนญ้าเนี่ยสติไม่มีทําไม่เป็นทําอย่างหนูสินนะย่าเฮ้ยจะมาบอกไปเถอนะนไม่บอ ก, กทำไม่คือญ่าทําไม่เป็นยกมือที่ไรก็นั่นแหละเหมือนอย่างละว่าอะไรน่ะตอนเช้าก็จนกระทั่งเขาเอาน้ำดขี้นอันไรที่ขึ้นมา เมื่อก่อนนะคนออกไปขี่เขาเข้าไปซ่วมเนี่ยกําลังจะหลับพวกอยู่ด้านหลังนะพอเขาเทน้ําราดขี้ในซ่วมตรอก็สร้างจังหวะขึ้นเลยมันตื่นขึ้นนะแต่พอเขาหยุดก็หลับเหมือนเดิมยยกขึ้นอือันนี้รู้สึกตัวเพราะเขาน้ําราดขี้ไม่ใช่รู้สึกตัวเพราะสตินะคนละเรื่องกันนั่นทําให้มันตื่นสติมันตื่นตัวเพราะมันตื่นเองแนะ้วมันก็จะสบายหรอกะ แต่ว่าอย่าอย่าลืมว่าให้ตื่นจากการรู้นี่บางทีเนี่ยใช้การสังเกตเยอะๆหน่อยการสังเกตคือการดูนั่นแหละแต่ว่าพอใช้การสังเกตมากเข้ามาเข้ามาเข้าเนี่ยตัวสติมันเบาบางว่นะความรู้สึกตัวนี่มันเบาบางสังเกตนะเวลาเรารู้แต่ละครั้งเนี่ยพอได้สติแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ติดกับตัวดีใจตัวปิติเนี่ยถ้าเราทิ้งได้ปุ๊บจิตมันจะวกลงมาเป็นสมาธิ ที่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะรู้อะไรได้ไวดังนั้นก็คือพยายามให้ระ ล, ลึกรู้เฉยๆเวลาได้อารมณ์ก็เฉยๆเฉยกับการได้อารมณ์นะลองดูดิแล้วดูว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดอีกถ้ามันดีใจหลังจากการดีใจเนี่ยอะไรมันจะเกิดอีกดูมนดิแต่ถ้าคนใหม่ๆก็คือง่วงหลังจากง่วงแล้วอะไรจะเกิดอีก หลังจากง่วงก็หลับเนี่ยมันมันตื้นเกินไปอันนี้นะหลังจากไม่หลับด้วยดิหลังจากไม่ง่วงนะอะไรเกิดอีกดูให้ได้ละเอียดหลังจากไม่หลับก็ต้องคิดทวงซ่บางคนไม่ง่วงนะแต่คิดเยอะนะมันคิดมากคิดมากก็ปล่อยมันคิดอย่างที่ว่านะลงทุนคิดไปเลยลงทุนคิดไปคิดให้มันจบลงตานคิดนะวันหนึ่งนะเอาคิดว่าคิดคิดคิดคิดทุกเรื่อง มันมาแง่มูลคิดคิดคิดคิดอยู่กับเขามันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันหมดแล้วมั่งความคิดนี่ว่ะนะโกรธมันนะเพราะเอาไม่อยู่สักทีน่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆโดยว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีนะเรื่องที่ช่วยใครไม่ได้ดันไปคิดเรื่องเขาพูดต่างประเทศนั่นตรงตางคิดไม่ได้คิดแต่ประเทศไทยนี่นะก็เลยเอาคิดซะ พอมันคิดสรกเอาต่อมาคำเน่เาคิดแล้วเนี่ยนะคิดแล้วคิดแล้วคิดแล้วก็เหลือแต่รู้สึกเอาคิดก็ปล่อยมันคิดหลวงพ่อเทีนบว่าให้รู้สึกตัวเฉยๆบางคนมีคําพูดหนึ่งนะครับว่าน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายนะใจร้อนกิเลสเป็นใจเย็นๆกิเลสจะตายใจเย็นๆเนี่ย เย็นรู้สึกเจ๊ยหรือบางทีเพราะเราไปมีอุปทานกับความคิดมากไปอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันคิดแค่เจ้างวมันเนีะธรรมชาติบางคนนะกลัวแต่จะไม่ได้อารมณ์ม่ลาหลงตาไปเป็นยังไงบ้างวันนี้อยไม่อยากพูดคิดมากนะเราว่าเฮ้ยคนยังไม่ตายมันก็คิดแหละน้อ ก, ก็ธรรมดาแหละโอ้ยค่อยยังชั่วหน่อย คนอื่นก็คิดใช่ไหมครับเออเขาก็คิดเหมือนกันแหละคนยังไม่ตายมันก็คิดบ้างนะโอ้ยนึ่ว่าจะไม่ได้อารมณ์แต่ผมนะยิ่งถ้าไปคุยกันนะตอนเย็นบางคนก็บอกวันนี้กูรู้เจ๊งนะตายบุดีเลยมันไปคิดมากนะกูยังไม่รู้นะคนนั้นก็รู้แล้วคนนี้นไม่อยากคุยกับใครเลยนะทําเป็นเงียบทีจริงก็อยากเอาเขาแม่แต่เขาอะเขาบอกเดินที่นั่นจะได้อารมณ์ดีมากพวกนี้มากินขา้าวรีบไปเดินที่เขานะเหมือนเดิมเหมือนเดิม คนเดิมมันเหมือนเดิมเลยมันจะได้อะไรอ่ะคนแต่บางีก็เอานะก็คิดว่ามันจะเป็นมาทีก็ไม่เป็นได้หลายคนในยนี้มุดก็ไปนวด น, นะมุดก็ไปข้างในนวดไปหาหยึดพื้นที่ของคนนั่นคนนี้ไปโอ้ยหุ่นวายไปหมดนะหลวงาเลยบอกว่าอย่างผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่นั่นปฏิบัติธรรมเนี่ย ย่มุดก็ไปหาหลับไปเรื่อยอันหนึ่งแหละสองที่นี่ก็ไม่ดีก็ไปที่นั่นไปที่นั่นก็ไม่ดีไปที่นี่หลวงตาไม่ตามนะคืออยากดูแลอยู่อยากสอบอาลมอย่างอะไรแต่หลวงตาเดินไปดูไม่เห็นหลวตาเลิกเลยนะหลวงตาไม่ได้เป็นห่วงเธออะไรมากมายพอที่จะไปตามหาหมดนั้นรูนี้เอยูไ่ไม่ได้ปั่นนั้นนะแต่ก็จะดูแลผู้ที่อยู่ข้างนอกหน่อยหน่อย พออยู่ได้เดินไปดูได้ถ้าจะเป็นมุดหาเนี่ยเราทำไม่เสี่ยงอะ่ะกลัวเมื่อยมันไปไกลอะคนไหนอยู่ไกลๆไปหาเราทไม่ไ ม, ไม่อุตส่าห์ไปตามหาแล้วอยู่ประมาณพอดูได้แน่กันได้อยู่ใกล้ๆประมาณนะ่ะโอ้เขาคนที่เป็นคนเปิดเผยยิ่งลึงลกๆเข้าไปไม่อะ่ะทัานขยันเนาะ ขยันที่จะรู้ตัวแล้วก็บางทีก็เขาบอกว่ามีธรรมะอะไรก็เอาไปพิจารณาบ้างได้ยินได้ฟังอะไรเนยพิจารณาพูดไปพูดมาเนี่ยอาจจะให้อาจารย์ท่านนอนนี่ก็ได้นั่นเนี่ยไม่รู้มีผ้าห่มหรือเปล่ามาจากอำเภอพร้าวเนี่ยโยมคุณยายหลายคนนะไม่ได้เอาผ้าห่มมาเนาะต่อสู้กับความหนาวคงได้บ้างเชียงใหม่เนี่อยู่มานานแล้วะ ไม่พาพูดนะพาพูดคุยพูดเขาเท่าพูดเก๋ๆเขาจะพูดส่วนขึ้นมาตอนนี้นะนะมันเหมือนแตนอ่ะไปหย่มันไม่ได้เหมือนรถถอดถ้ารถมันวิ่งมาอย่าไปขึ้นนะอย่าไปขึ้นรถเนี่ยแต่ถ้าจะขึ้นรึนนรถคันที่คันดีๆหน่อยคือขึ้นรถคันที่เป็นเป็นกุศลและทำความคิดดีๆน่ะก็ยังดีกว่าขึ้นรถเน่า คือความคิดมันวิ่งมาเหมือนรถเนี่ยถ้าวิคิดไม่ดีจะไปขึ้นถ้าคิดดีขึ้นไปชนหน่อยแต่ถ้าขึ้นรถ ด, ดีๆก็อย่าลืมนะว่ามันมันมีการเสียนะรถคันนี้นะคือความคิดนี่ยพอเราขึ้นตัวนี้ไปมันจะเป็นอนิจจังนะเป็นทุกขังนะรถอันนี้เดี๋ยวมันผุพังนะคิดดีสักหน่อยหนึ่งก็ต้องอนิจจังเราก็ต้องมองแบบนั้นนะ่ะขึ้นไปเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็ดับเมื่อไม่ขึ้นดีกว่าอยู่ปัจจุบันได้ว่านั้นนะ เขาบอกวิธีดูแลความเทคนิคสิบเอ็ดอย่างนะในการที่จะดูแลความคิดคือที่จะจัดการกับความคิดเนี่ยแต่ลงตาดูแล้วเทคนิคที่ที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เนี่ยครับตัวสุดท้ายจะดีกว่าคือคือเราทําหมดแล้วนะในนั่นในสิบเอ็ดข้อเนี่ยอันสุดท้ายท่าบอกให้รู้สึกตัวเยอะ มันมันมันก็มาลงตัวที่รู้สึกตัวนี่แหละทุกอย่างนะคือรู้สึกตัวเยอะๆเนี่ยแต่ในนี่มันก็อดไม่ได้นะข้อหนึ่งข้อสองเราว่ายังไงข้อสามันก็อยากเอาไปทาไม่ต้องรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยดูมันเฉยๆนะดูให้เห็นคือให้เห็นความว่างของความคิดมันมีช่องว่างมันมีช่องไฟมันบ้างเหมือนตัวหนังสือนี่แหละในบรรทัดนั้นมันจะมีช่องว่างอย่างนีเราก็เห็นเห็น เห็นวความคิดมันว่าง น, น้อยๆก็ยังมีนะรู้สึกตัวบางคนฉเฉลียวใจแค่ความว่าง น, น้อยๆเนี่ยเขาไปสารต่อได้เลยนะทำต่อเนื่องได้กาหนดรู้ลองไปทําดูดิอะไรที่คุณยังไม่ใส่ใจในเรื่อยบทไหนอนะ่ะอันนั้นแหละใจช่วยคุณได้คุณทําให้จิตดีๆเลยตอนนอนเนี่ยกูยังไม่รู้สึกตัวนะเนี่ยกูยังไม่เคยทําลองทําดูดิปอว่านั้ หรือตื่นเช้าเลยลุกมาแล้วตั้งใจทําตั้งใจเต็มที่ในในในส่วนที่มันยากที่สุดน่ะทุ่มใจลงไปเลยลวงตานะปฏิบัติทเอา้าคนอื่นนอนสองทุ่มสามทุ่มนี่กูจะฝืนนอนสี่ทุ่มครึ่งลองดูดิมันจะเป็นยังไงเนี่ยฝืนทาอย่างไรนะ<ำ>เขาตื่นที่สามตื่นที่สี่ ไปอยู่กับหลวงพ่อกรมเนี่ยท่านตื่นตีสองตีสองก็ตีสองอยู่กับหลวงพ่อใบทูลตื่นที่สองตีสองตีสองนะอยู่กับหลวงพ่อเจรันพวกนี้เขาตื่นเวลาเราตื่นเนี่ยเห็นเขาเดินจุกรมแล้วพวกนี้นะพักเกลี่ยเราเท่าดงตาอยู่ของเขาเนี่ยตื่นมาเดินจุกรมแล้วอยู่กับหลวงพ่อคุณธรรมก็เหมือนกันลงตาตื่นที่สามขึ้นมาได้ยินเสียงเท้าทั้งละเช็ดเช็ดเช็ดนอนในห้องเดียวกันนะ เขาจะตื่นแล้วเขาเดินจงกรมกันหมดแล้วไม่อายมากไปดูกับอยู่กับผ้าผู้ใหญ่นะออืมันก็เกิดอืพวงนี้กูบ้างละมันก็จ้องที่จะตื่นเนี่ยจิตมันก็จะระวังอยู่เรื่อยๆเรื่ยๆไม่มีนาฬิกานะก็จะตื่นเองได้แล้วก็พยายามตื่นตอนเช้ามันมามันทวนกระแสก็ต้องพยายามทาให้ไม่เหงาละอะไรที่เราทําไม่ได้เราจะพยายามทาตัวนั้นให้ได้ แล้วมันมันจะเป็นบทเรียนที่มันยากแต่ตื่นมากกประคองธรรมดาอยเนี่ยพัฒน า, าว่าธรรมจะไม่ค่อยเกิดนยถ้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะนานหน่อยแต่ถ้าเรามีรู้สึกว่ามีการต่อสู้มีการฝืนกับกิเลสเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแต่อย่าท้อถอยนะจะท้อแท้นะห้ามต่อแตเอาจิงอเ น, นี้ยคือทำอะไรที่มันยากนะ แล้วบางทีเฮ้ยวันนี้จะกินข้าวสัก น, น้อยๆลองดูที่มันเป็นไงคล้ายๆทดสอบทดลองโ อ, อยู่ไปเรื่อยๆธนะรรมดาเรื่อยๆสังเกต ว, วันนี้เพืนะ่อสร้างจังหวะก่อนหรือบางทีตืน่นมาผมเอาจะลุกรู้สึกตัวเลยดูที่สังเกต ด, สกตดูสังเกตและเริ่มทำอะไรที่มันยากๆหน่อยเวลาเดินจูงผมเดินไปเนี่ยรู้สึกตัวตลอดไหยอ้าววันนี้ ล้างแก้วเสร็จปุ๊บซาทุกจะไม่พูดคุยกับใครละฉันจะเดินไปถึงที่พักด้วยความรู้สึกตัวจอทั้งว่านอนลงปุบ๊บแล้วก็จะหายใจทั้งหลับตาไปนี่จะรู้สึกได้ตลอดไหมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแล้วเราอยู่รู้สึกว่ามันทุกข์มากที่มันไม่ได้คิดนะ่ะเราจะเริ่มเห็นมันเห็นว่าคิดมันคิดไม่คิดเลยอีกหน่อยสติก็จะต่อเนื่องหรอกเพราะ ม, มันต้องทิ้งพวกนั้นทั้งหมดนะทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์มันจึงจะรู้สึกอย่างนี้ได้นะ เข้าห้องน้ำ้อ ง, าอาอา ง, อ ง, ง่าอาบน้ำอย่างเงี้ยลองดูนี่ล้วงตาอาบน้ำวันนี้อาจสิบเอ็ดขันนะอาบเยอะนะ่ตักแต่ละทีห่างกันเนะี่ยตักปุ๊บอาบเทเจา้ลาล้วงตาคิดว่าอ้าวน้ำทุกหยดจนแบบที่มันไหลจริงๆเนี่ยคือหยดสุดท้ายให้มันถึงพื้นหมดซะก่อน ลงตาถึงกีเริ่มขันที่สองไม่มีนะจวบจวบจวบจบเหมือ น, นไม่เอาคือมันติดนี่สมมติดูแล้วว่าจิตกูกลัวนะ่นนี่กูกลัวหนาวนะเนนี่ยลงตาบอกมันกลัวหนาวนะเนี่ยบอกเอาลองดูนี่กระตากขึ้นมาเทจ้ให้หยดสุดท้ายที่บนหัวนี่ไปถึงพื้นก่อนมันก็ยิ่งจะทดลองเลยแนตะ่รู้แล้วนะ่นนะเอา้าจะเป็นอะไรของมันนะ่ะเขอบอกมันเอาอาบอีกดีเทไปซิบเอ็ดขันนับดูนี่ แล้วเทลงไปนะเทได้ไปเทได้สี่ขันพอสี่ขันก็หยุดถูสบู่นะถูสบู่หมุนจากท้องขึ้นมาก่อนก้อนมันเป็นก้อนลงไปเสร็จปุ๊บถูไปถูมาเอาถูหัวถูธรรมดาอา้าวเริ่มเทใหม่มันก็ไม่สั่นไม่หนาวนะแต่เพราะใจเราไม่เพิ่มไงอันนี้จอบชอบชอบชอบ โอ้ยภาพปุ๊บคุณนนทีเนี่ยไม่ทำมาดิไม่ท ำ, ทำผ้าเช็ดดวงตาก็ไม่เอามาคุมปุ๊บผ้าเช็ดตัวก็ดวงตาเอามุมหนึ่งมุมหนึ่งลวงตาพาดไว้ที่หวนนัวนวดอันหนึ่งก็เช็ดค่อยๆเช็ดลงมาอู้ตายเป็นตายคิดอะไรอะมันไปกลัวไอ้เรื่องนหนาวเหนือโเนี่นนนอา่อาก็าปกตินะเนะช็ดเสร็จปุ๊บ เ, เดินออกมาเอา้าวางไวนะ้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะ ลตาติดอารมณ์ไม่ได้ล้างสบู่อยู่กับหลวงพ่อมหาดิเรกนี่นะตอนนั้นมันรู้รู้อารมณ์ใหม่ๆคืออะไรเนี่ยมันจะละเอียดมันรู้สึกแล้วมันเห็นไปหมดนะแล้วพ่ออาบน้ำเสร็จปุ๊บระวางสบู่เอาไว้สบู่คือส่วนมากสบู่อาบแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยล้างวางไว้เลยในกล่องมันเ น, นะ่ะคือบางกบางทีมันก็เป็นฟองอยู่นะ ออกมาไม่ได้จะนอนมันนึกถึงสบู่ไม่ได้ล้างแล้วสร้างจังวะภาพสบูไ่ไว้ในล้างก็เคลื่อนอยู่นั่นแหละดวงตาก็ขี้เกียจไปมันไก่ก็จะนอนลงไปนอนก็ไม่หลับวันนั้นสบู่ไม่ได้ล้างก็ติดแต่สบู่ไม่ได้ล้างอยู่เนี่ยตายกูนอนไปขี้เกียจไปนัมันรุ้ดูหนาวเอาไปมาเฮ้ยว่ะ หลับไปนะพอหลับขึ้นมาตื่นขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาตาโผล่ขึ้นมาสบู่มไม่ได้ล้างเหมือนเดิมคุณลุกไปล้างดีกว่าหกทุ่มนะไปล้างสบู่ก้อนนั่นนะ่ะของกลางนะส่วนกลางล้างแล้วก็วางไว้มานอนหลับสนิทยังอะไรดีโอติดไม่รู้มันติดไนดะ้ยังไงติดมากติดมายจังติดสบู่ไม่ได้ล้างสบูนะ่เนี่ยมันไม่ยอมให้นอนเลยติดอยู่นั่นนะ่ะอุ้งพันอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคิดแต่เรื่องนี้แหละแต่รู้รู้สึกว่า อารมณ์ในน้อยที่มาติดอยู่ในน้อยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเสียเสียสภาวะสมาธินะนะคือมันรู้สึกว่าเราเป็นคนมักง่ายอะไรประมาณเนี้นะไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ดูแลไอ้เรื่องเล็กๆในน้อยพวกนี้ยเราก็ยังไม่สนใจแล้วเรื่องใหญ่จะเป็นยังไงคิดไปโน่นอ่ะล้างเสร็จปุ๊บครั้งหนึ่งไปไปเทศ ไปเทศกับหลวงพ่อนี่ยนะตัวตาไปเทศในวัดวัดหนึ่งอาบน้ำคือพระเขาไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะพระไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยใจพระพระที่ไปเทศแต่ละองค์่ละองเนี่ยวันนั้นหลงตาเทศเทศลงมาจบปุ๊บก็อาบน้ําอาบน้ําปกติพออาบเสร็จปุ๊บเนี่ยในอ่างอาบน้ำนํำ ไปเป็นธรรมเนียมนะ่ะความขันแล้วก็วางไว้ครับนะโยมได้ความขันไหมความขันนะไปห้องน้ำเมื่อกี้ไม่มีน้ำนะคือรู้ทันทีทุกคนเข้าไปนี่อาไม่ใช่น้ำในส้วมในถังดำๆนะไปเข้าไปนั่งถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้ดูหน้าดูหลังเพราะปกติเราก็ต้องลาดน้ำก่อนได้ไหมแล้วก็ใช้ใช้น้ำเทแต่คนบางคนไปนั่งถ่ายเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บ ก, ก็ลาดน้าเสร็จ แล้วก็ออกมาน้ําจะเหลือน้อยเหลือมากกูไม่เกี่ยวนะคนจับต่อไปจะเป็นยังไงกล้ช่างประมาณนั้นตักจนกระทั่งค่อนขอดแล้วน้ําก็ถังก็ไปในล้างลงตางก็ได้ล้างถังคิดนะล้างถังไว้น้ำมันก็ไม่มีเราคนเอาน้ําใส่เปิดน้ําใส่ไว้ให้เข้าไปใช้ที่นี่สองครั้งได้เปิดน้ําให้ทุกครั้งเลย น้ําใสมันเต็มถังไว้ให้เขาน่ะเพื่อคนอื่นใช้เพราะเข้าไปทีไรน้ํำแห้งทุกทีแสดงว่ามันมีแต่จะใช้อย่างเดียวพวกโยมผู้หญิงนี่แหละตัวการที่มาใช้ใช่ไหมทางเนี้ยไม่กล้าพูดพระนะหลวงตาไม่กล้าพูด <c oughs> เปิดใส่บ้างไงเนะี่ยหลวงตาพูดให้ฟังเนี่ยคือมันคือเขาไปใช้ห้องน้ําเพื่อหนึ่งต้องคว่มขัน หลวงตาไม่ได้ความขันขันนี่ไม่ได้ความอาบนะ้ำแล้วคือตั้งขันไว้เขาไปว่านี่เรื้อพระมาเผยแผ่ธรรมะพระเทเรสผู้ใหญ่นะแต่เขาไม่พูดเฉยๆนะเขาเป็นเจ้าอาวาดนะจุดสามแปดนะจี้หลวงตานะใช้ปืนคือเขาไม่พอใจแต่เขาหาเหตุไม่รู้จะว่าหลวงตาเรื่องไหนก็เลยมาว่าเรื่องอาบน้ําไม่คว่ำขันหลวงตาก็ว่าเขา โอ้ยขออภัยเไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเราต้องนอบน้อมไปก่อนเนี่ยเพราะว่าจะเอาทางนี้ทีไ่ให้ดีนะแต่ไม่ใช่กลัวนะไม่กลัวนะเกิดมันริงเราจะทำยังไงอน่ยนะร้ายเขาเป็นโรคอะไรโรคโรคฮิสตีเรียนะออกมาจะโรงพยาบาลด้วยโรคเขาว่านะหมอเขาว่า ก่อนน้นั้นสวงพ่อก็แจ้งตำ ร, รวจมาจับเขาตำรวจมาจะเป็นตั้งเยอะนะก็มีปัญหาไอ้นี่นะเขาปล่อยมาพกปืนมาด้วยในย่ามนะในย่าม พ, ะนะพระนะพระพระพระพระคงเป็นพระปลอมหรือพระจริงก็ไม่รู้นะตั้งแต่นั้นมาหลวงตาความขันประจำไม่ว่าไปวัดไหนอาบน้ำแล้วจะรู้ภาพนี่ โอ้ยความขันนะไม่มีนักเลงลงตาเขความเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนในห้องน้ําตัวเองก็ต้องคว่ำกันและอาบก็ต้องความขันจะเหลืออยู่ในน้ําน้ําจะเหลืออยู่ในขันไม่ได้นะต้องความทํามสะอาดเรียบร้อยแหละจนมันเรียบร้อยมันมันไม่ใช่เป็นบาดแผลที่ถูกกระทบหรืออะไรนะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทุกข์กับกับภาพพวกนี้แต่ว่ามัน เอามาเล่าให้ฟังเนะี่ยมันเตือนใจดีอะ่ะมันเตือนลุงตาก็รอดได้นะวันนั้นนะก็ออกมาได้ขออภัยในโน่นยนนี้ไว้ดีนะเขาไป ง, าง้างไกลปืนแล้วยิงมาเนี่ยก็จะรู้กันว่าบวชนานคร่ขลังไม่ขลังนะไรานั้น <c oughs> หลังจากนั้นก็คือมีพระอาจารย์ดานะที่อยู่นิวยอร์กมาบอกก่อนคืนว่าท่านบอ ท่านต้องหนีคืนนี้ <c oughs> มันจะเอาจริงแล้วมันจะไม่ไว้หน้าแล้วมันจะยิงนะเนี่ย <Yeah. S 1> ท่านบอกว่าให้หนีแต่ท่านอาจารย์ดาเนี่ยไม่ท่านค้นอยู่พ อ, อ, อได้อมืมีพระองค์หนึ่งที่เป็นคอมมินิตมาบวชอยู่ด้วยองค์หนึ่งนะเป็นคอมมินิตพี่ชายอาจารย์คําไมเนี่ย <c oughs> มาทำ <c oughs> <c oughs> ลงตาล่ามันไหมชวนฆ่าเขาเป็นพคทนะคมนิต์เก่าชวนฆ่ามันลงทาว่าเอาอย่างไงคือฟังแผนเขาก่อนว่ามันมันมันเขาท่าไหมคือมันมีศาลากลางน้ํำน่ะในวัดนั้นมีศาลาสูงส่งกลางน้ำเพราว่าคนก็เต็มนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่ามันมันทํา น่าเกลียดมากอย่างต๊ะอาหารเนี้ยเรากําลังเทศอยู่เนี่ยคนกเ็เต็มรับอาหารได้นนะถึงแม้จะรับอาหารได้เขามันเดินไปท่านท่านเอาท่านก็ได้ไม่มันท่า น, ท, านท่านเดินไปในท่านจะงัดกะละมัง ắt, มงัดหม้อแต่ละนี้ยอย่นี้เลยนะกว่ำระนีระนาดนะนะเป็นลาบของหมานะหมาอยูใ่ใกลๆอาหารการกินงัดแต่ละหม้อตูมตูมตูมตูมลงไปเลย มีอะไรไหมถามไม่มีครับมันจะมีได้ยังไงเนาะมันหมดหม้อแล้วจะมีอะไรในหมอ้อ ม, ม่ความมดนั่นก็กเลยเขาบอกว่ามันยังไม่จบ น, นะยันตัวอาจารย์ต้องไปคืนนี้นะคือต้องหนีคืนนี้โอ้ยผมไม่เคยกลัวไข่นะชีวิตนี่วะท่านว้าโอ้ยไม่กลัวไปเถอะ ไม่กลัวก็พูดไปงั้นหลยไม่กลัวนะนะแล้วนั้นอาจารย์เนาคนคนนั้นหนูเขาบวชใหม่เป็นนักคอมเมดี้เขาอยู่ในเขตที่เรียกว่าเขาบอกว่ามันอยู่ในศาลานเราไปให้ให้คนไปซื้อเหล้ามาให้คนไปซื้อเหล้ามาแล้วก็ช่วยกันล็อกคอมันนะท่านท่านนะช่วยล็อกคอท่านไป บอกเข้ามาในสารานี้แล้วก็ลอกคอเตียนตีนเหยียบกอกเล่ากอกเล่ากอกเล่าเอาเล่ากอกนะหมอมกอกเล่าแล้วก็ตีนถีบลงไปในสระน้ํานันะ่นเหยียบไว้บอกว่ามันตายตกน้ำโอ้แผนไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่นะนนี่ว่ามันจะไม่รอดเราทั้งหมดนี่ได้หว่า ใ, ใจใจบอกว่าผมทําก็ได้เพราะว่าผมก็จะศึกอยู่ยคือเขาจะศึกอยู่อ่ะ เขาว่าเขาฆ่าคนมาเยอะแล้วเขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยไอ้นี่ในขวางศาสนาเนี่ยมงนะครับทั ง, ทงเฮ้ยเกิดเขาตรวจลายมือเลยทํำยังไงลูกเราเรียนรู้มากมันก็เลยทุกมากถ้าไม่คิดอะไรร่วมมือกันแล้วก็จบไปแล้วละ่ะอันนี้ไม่ได้นะมันมีปืนเนี่ยมองโอ้ยดวงตาไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเป็นคนมีอายุเลยละ่ะเท่าคุณ อายุโมนมุตโตนเนี่ยประมาณนี้นนก็เลยคืนนะั้นลุงตาก็ตกลงว่าไม่ได้ลวกมือลุงตามาห้ยอย่าทําเลยนะว่ามันจะบาปนะวายนะโอ้ยหลวงพ่อเทียนว่าอาจารย์ไม่เข้าใจหรือสมมุติสมมุติว่ามันสวนเราเนี่ น, นี่วะลูกศิษยลูกหาสมมุติสมมุติ ม, ม, มันตายจริงนะวายตายก็เวข้านั้นแรลล่ลูกน้ำลูกน้ำเนี่ย หลวงตาก็โอ๊ยไม่ไหวนมัว่ามันเนี่ยคือหลวงตาเลือกเอาวิธีหนีดีกว่านะก็คือหนีเตืนเช้ามาก็ประมาณตีสามตีสี่นะครับรีบบอกคืนนั้นก็คือไม่ได้นอนเป็นที่แหละเป็นนอนที่ใกล้ๆทะเลแล้วก็ออกไปแต่เช้าเล่าให้ฟังว่าให้รู้สึกตัวเฉยเลยนะอันเนี้ยรู้สึกตัวหลวงตานะั้น กว่าจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างทำจริงทำจังบางทีคนขู่ค่าก็มีเนี่ยถึงได้ทำจริงห้องเรานี่ก็เหมือนกันเอาอาศัยแค่ทุกไม่ต้องมีใครขู่ค่านะหรือหรือจะต้องให้ขู่รู้สึกตัวหรือยังเนี่ยที่จะไปห้องน้ำนีนน่ล้างถ้วยแนละ้รู้สึกไหมเฮ้ยเนี่ยต้องขู่ตลอดมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ขเขาก็เฮ้ยสำนักอะไรวะ <laughs> จะมีการตายเกิดขึ้นในสนักมันก็ ยังกะไม่ว่าแล้วเนาะเดี๋จะรู้จะว่ายัางไงก็ให้รู้สึกตัวเอาเองคือเห็นทุกเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดในภาวะที่ปกติมากจิตปกติเห็นทุกแบบปกตินะเห็นด้วยตัวเองเนะี่ยเห็นเป็นแบบปัจจตังเห็นทุกไม่ใช่คนกระตุ้นเข้ามาอีกวันนะมีความพร้อมแต่ว่าได้ยินคนนี้พูดวันก่อนนะเนี่ยเนนคนเนี่ยพูดเือขอว่าสร้างจังหวะไงก็ไม่ออกอยู่ๆมันก็ง่วงแล้ววันหนึ่ง พระานเรียกเหรือเออบระวันนี้ถ้าเรียกว่าไงโยมโยมอะไรนะพะโยมอ่าในในคํานําของหลวงพ่อปุาตะ่ิณพูดว่าธรรมะแบบตกกระไดพลอยกระโจนเนี่ยเนี่ยคือแบบเนี่ยนะมันไม่ใช่ตื่นคนนะแต่ธรรมะที่ตกกระไดตกกระไดแล้วพลอยกระโจนไปวันเนี้ย คืออาการที่เป็นนี่คือหลายๆครั้งที่จิตเราตื่นเพราะเพราะถูกคนกระตุน้นจิตโดยเฉพาะเรื่องของเซนเนี่ยจะเป็นแบบนั้นคือมันเป็นเหมือนที่สติวังเงื่อนไขอะไรสักอย่างคือจิตมันเป็นคือคล้ายๆเอาเข็มไปเจาะปุ๊บลูกปุมมันก็แตกเปาะอะไรดีเนี่ยแบบนั้นะนะฉะนั้นเรามาอยู่เนี่ยให้มองเป็นว่ามันพร้อมที่จะรู้แจ้งในทั้งหมดกัลยาณมิตรหรือพฤติกรรมอะไรในชีวิตประจําวันเนี่ยแต่คุณจะประมาจคุณจะต้องรู้สึกตัวเอาไว้เฉย อย่าไปงงจิดกับคนนั้นคนนี้มองให้เป็นธรรมะหมดอ่ะฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์มองคนทุกคนเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนธรรมะจะมาเกิดกับจิตเราเนี่ยอย่างนั้นจะได้แล้วนะพูดคุยนั่นพูดคุยนี่อาจจะคุยมากกว่าไม่มากหรอเนะาะ30นาทีนะคิดว่าเราคงจะจะไปกําหนดรู้สติกับการนอนลองดูสมมุติดูนะไปนี่ กูจะตายละคืนเนี่ยกูจะไม่ได้ตื่นขึ้นอีกแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยตายแบบมีสติลองดูดิลำเลียงนะเอานอนตายตายตายตายตายแบบมีสติแล้วจะไปจุติในที่ดีๆใน่ลองนอนตายดูดิลองรู้สึกตัวตลอดเนี่ยจะทําเป็นไหมจนกระทั่งหลับเนี่ยลองลองเล่นๆดูนะนะลองการบ้านนี่ลองดูไปเตรียมตัว